อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ386 1้ิกภิกษุไม่จงใจจะปลงชีวิตสัตว์2อภิกษุไม่มีสติปลงชีวิตสัตว์3าภิกษุผู้ไม่รู้ตัว4ีภิกษุไม่ประสงค์จะฆ่า5้ภิกษุวิกลจริต6กภิกษุต้นบัญญัติสันจิตจากสีขาบทที่1จบ